ในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่ากรรมมังสเตวิพัชติยาดีดังหินััปนีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมันมีความประนีตเรียลกามต่างกัน มีเป็นหลักตายตัวที่จะแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้คำว่ากรรมก็คือหมายถึงสิ่งที่บรรดาสัตว์ทำไว้แล้วกลายเป็นวิบากขึ้นมาภายในจิต ซึ่งเป็นผู้กระทําแล้วสฐานที่เกิดสถ า, านที่อยู่และสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายที่ชั่วต่างๆก็มีอยู่ในจิตแข่งเดียวกันนั้นเท่านั้นไม่มีแห่งอื่นเป็นที่ติดที่ทําเป็นที่สถิตของผลที่ทําขึ้นทั้งดีและชั่ว นีเป็นที่สิ้นไปมีจิต ด, ดวงเดียวคาว่าที่เกิดที่ผิดก็ได้จากความคิดขึ้นในเบื้องตน้นขณะที่คิดที่คิดท่านก็เรียกว่ากรรมคือมโนกรรมอันดับที่สองก็แสดงออกมาทางกาหรือทางวาจาซึ่งรับช่วงออกมาจากใจ แต่จะเป็นระยะใดก็ตามผลที่ทำนั้นจะต้องออกมาจากใจและเข้าอยู่ที่ใจที่เรียกว่าเป็นที่สถิตเวลาสิ้นสุดกันก็สิ้นสุดลงที่ใจนี่เป็นความถูกต้องตายตัวแห่งศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทรงสอนไม่แบบเดียวกันหมดเพราะทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันศาสนาจึงสอนเรื่องกรรมเป็นสำคัญเพราะกรรมเป็นตัวเป็นต้นเหตุแห่งวิบากดีชั่วต่างๆที่จะพึงเป็นไปในอันดับต่อไป ท่านให้นำมัดระวังเรื่องการกระทำอันหนึ่งก็ท่านก็สอนว่ากรรมสกมิกรมกร ม, รมดายาโดกรรมโยนิกรรมทุกกรรมปฏิเสธโ น, โนยังกรมังกรดิทามนิกนยายังมาปาปักมานตะเพยาโขลคุยทรามินี่ก็มีลักษณะเดียวกั น, ม, นมีกรรมเป็นดนเกิด มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมันก็บอกนะมีกรรมเป็นผ่อพันคือเป็นความสืบเนื่องไปในลำดับเราจะทำเราทากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างแต่สถ า, านที่เกิดขึ้นแห่งกรรมหรือที่ผิดแห่งกรรมก็ได้จ็บใจเพระนาะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้วิธีการต่างๆที่จะพึงรักษาตัวลบบีบตีตัวจากสิ่งที่เป็นภัยอันจะพึงทำขึ้นด้วยตัวเอง เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจบรรดาสัตว์โลกไม่ว่ามนุษย์และสัตว์เป็นผู้มีกรรมในลักษณะนี้เช่นเดียวกันหมดมีดีชั่วต่างๆอยู่ภายในจิตในขณะที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนั้นกรรมหรือบาปแห่งกรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสว์ ก็ย่อมเป็นของมีอยู่เช่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่สภาพเช่นเป็นสัตว์ผู้คนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นสัตว์คนหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเป็นไปตามการไปไปตามจังหวะของกรรมที่จะผลตามลําดับลําดาบุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกัน อาจากลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ได้เป็นเ ท, เทวดาก็ได้ลตรต่ำลงไปยิ่งกว่านั้นก็ได้เพราะการทำกรรมเป็นทำรุ่มรุ่มดอนดอนไม่เลยสม่าเสมอจะททำดีหรือทำชั่วมันก็รุ่มๆุ่มดอนๆอนอาการการให้ผลจึงเป็นลุ่มรุ่มดอนดอนความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่เรา ได้เห็นไดช้ชัดเช่นอย่างรูปกายอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่เป็นวิถีทางเดินของวัดตะสงสารคือวัดตะจิตที่ยังต้องเที่ยวหมุนเวียนดีในภบในชาติคือความเกิดความตาย ต้องหมุนตัวไปอยู่เช่นนั้นส่วนเจ้าตัวจะจะทราบหรือไม่ทราบว่าได้ทำอะไรไว้ถึงต้องมาเป็นเช่นนี้เช่นนี้จะทราบหรือไม่ทราบไม่สาคัญสาคัญเรื่องของกรรมต้องเป็นกรรมเรื่องวิบากต้องมีนวิบากหมุนตัวไปตามลำดับตามความปิญของตน ผู้ที่จะทราบได้ก็คือพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกทั้งหลายนอกจากนั้นกับพระอรหันต์จะทราบได้ตามกำลังแห่งความสามารถของตนมากน้อยไม่จะเป็นโลกวิทูอย่างเต็มภูมิเหมือนพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางสงสัยสามารถทราบได้กี่พบกี่ชาติของตัดประเภทนั้นๆยังทราบตรงทราบได้อีกเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเรายกเป็นดูตหอนมาเพียงย่อๆเช่นอย่างสัน ต, ติมหาอมามัขาดขณะที่กำลัง เมาสุราอยู่บนขอท้างทั้งขับทั้งลำทั้งฟ้อนทั้งอะไรลื่นเล ง, เงบันทิงเพื่อความมึนเมาของต น, น, น, นพระพุทธในขณะนั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จบินพระบาทฐานไปทรงทอดพระเนตรมิแล้วกระรับสั่งกับพาาระอนุนว่านี่ดูที่อนุนขณะนี้เขากำลังเพื่ดเพลินลื่นเลง แล้วดื่นลมนี้ดื่นลมด้วยความเมาทีดาแล้วตอนบ่ายวันนี้เขาจะเกิดความโศกเศร้าโศกกายแล้วสละจากความเป็นคารวาสไตบวชในศาสนาและได้บรรลุธรรมในวันนี้นี่ทรงทราบเรื่องอนาคตแล้วถนานะติมหาหมาดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ หลังจากนั้นก็ธรยาก็เสียตายแบบปลุปรับปัจจุบันว่าอย่างนั้นตามธรราถ้าจำไม่ถี่ในเรื่องความจำนั้นก็ไม่แน่นะแล้วเกิดความเสียใจเป็นกำลังจะหาใครเป็นผู้แก้ความทุกข์ความทรมานจิตใจนี้ไม่ได้ก็มีผู้แนะ เข้าไไเฝ้าพระพุทธเจ้าตูนถามหรือสลับทรรมจากพระองค์อาจจะบรรเทาความทุกข์ร้อนทั้งหลายเหล่านี้ได้หรืออาจจะดับความทุกข์นี้ได้คนเราเมื่อจนกรอบก็ต้องวิ่งหาที่พึ่งเป็นธรรมดาตอนที่ไม่จนกรอกก็ไม่สนใจนี่คือเวลาจนกรอก สารตติมหาหมานก็วิ่งเข้าไปถึงประโพธิจา้าคุณเรื่องราวให้โปรงทราบก็ประทานทาโทษวาาและได้สำสำเร็จนักปุนิภานในเวลานั้นคือเป็นพระทหารทั้งๆที่ยังไม่ได้บวชเลยนะี่เรื่องอนาคตก็ทรงทราบได้อย่างนี้เราพิจารณาสิ เรื่องพยายามของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวาว่าแบบเอกนามมาจริงนามมาจริงคืออะไรหนึ่งไม่มีสองนั่นแ่ะคืออะไรหนึ่งไม่มีสองก็คือว่าบรรดาสัตว์โลกนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดการกินต้องมาทิหนแม้จะอยู่ในท้องคือเมื่อตกคลอดออกมา ก็ดูดูดนมแม่แล้วแล้วจากนั้นก็เป็นอะไรเล่ยไปเรียนแบบนี่เป็นเอกน า, ามะกิงอั น, นสารโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องการกิดจึงต้องมาเป็นที่หนึ่อีกอันหนึ่งคืออะไรเอกน า, ามะกิงประเภทหนึ่งคืออะไรคือพระพุทธเจ้าที่ ทรงอุบาทขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งนี้จะไม่มีครั้งละสองพระองค์เลยมีครั้งละหนึ่งพระองค์เท่านั้นไม่มีสองไม่มีคู่ไม่มีคู่แข่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพูดนี่เขเรียกว่ามีอันเดียวมีพระองค์เดียวเท่านั้นอเอกานามกิจประการที่สามคือ พยานที่ทรงอย่างทราบเหตุการ์ต่างๆนั้นไม่มีสองเมื่อทรงอย่างทราบอย่างไรต้องเป็นความจริงตามความอย่างทราบแล้วทุกติรับสั่งออกมาด้วยความถูกต้องแน่นยันไม่มีเพื่อนคาดแนะนิดหนึ่งเลยบรรดาพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์นี้เป็นอย่างเป็นเหมือนกันนี่หมดนี่เรียกว่า เอกามกิหนึ่งไม่มีสองคือไม่มีผิดพลาดไปไปเลยเพราะฉะนั้นธรรมะที่ประธานไว้สำหรับสัตว์โลกจึงเป็นปรธรรมะที่ในประเภทเอกนามกิณมีความถูกต้องโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับความจอมปลอมหรือผิดพลาดมาแทรกแม้แต่น้อยเลยที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างนั้น กเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่สืบทอดธรรมะนั้ น, น, นมานั้นเมื่อการเวลาผ่านมานานก็ยอมะบบรืนเรื่นไปมีอาจจะผิดพลาดไปมีแต่ไม่ได้ผิดพลาดจากพระพุทธเจา้ามีความเคลื่อนข้าดลบเรือนไปตามวิสัยของคนที่มีความสามารถต่างกันกับพระพุทธเจา้า สำหรับพระหรหัรนั้นท่านแสดงออกมากน้อยเพียงไรก็เป็นความจริงแม้จะไม่กวางขวางเหมือนพระพุทธเจ้าก็เป็นความถูกต้องแม่นยำเพราะท่านรู้ความจริงเห็นความจริงแต่ส่วนกิจย่อยท่านอาจจะผิดพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดาไม่เหมือนสัพพนูเช่นอย่างทับปรีชายาอย่างทราบเหตุการณ์ต่างๆนี้ภาษาาวก แม้จะไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังมีส่วนที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างได้สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์จึงเป็นประเภทเอกน า, ามมากินคือมีความถูกต้องแม่นยำอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งใดอีกที่จะมาเป็นคู่แข่งหรือลบล้างความจริงคือความถูกต้องนี้ แล้วหลักแห่งาศาสนธรรมที่ประทานไว้สรุปลงแล้วลงแล้วได้แก่อะไรได้แก่มัชิมาปฏิปทามีสรุปความลงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการแดกยิเลสประเภทใดหรือการคลองขี้ประเภทใด ย่อมขึ้นอยู่กับหลักมัจจิ ม, มาคือความถูกต้องเหมาะสมนี้ทั้งนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีกับมายึงองตัญดาคำว่าปัญญามีความกว้างขวางมากเราจะใช้ทางโลกทางธรรมธรรมประเภทไหนต้องอาศัยปัญญาเป็นหัวหน้าเพราะปัญญาเป็นผู้ฉลัดเช่นเดียวกับหัวหน้างาน ต้องเป็นคนฉลาดไม่เช่นนั้นก็เป็นหัวหน้างานไม่ได้สัมมาสังกปะก็เป็นความฉลาดรียกว่าเป็นองค์ของปัญญาสัมมากวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งของผู้นำไปประพฤติปฏิบัติสามารถกำจักำจดกิเลสได้ทุกประเภทให้หมดสิ้นไปจากใจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้นเห็นพระพุทธเจ้าจะปริพาันธ์นานตั้งเพียงไรก็ต่างธรรมะมัมชฌิมาคือธรรมเหมาะสมอยู่แล้วแต่การในการแก้กิเลส ประเภทต่างๆจึงเรียกมัดชิน ม, มาอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทที่เรียกว่าลูกต้เรากร็ของพระพุทธเจ้านั่นเองก็นปฏบิบัติบูชาตามพติกำลังความสามารถข้องตนถึงการให้ทานก็ได้ให้ทานมามาก มากจนตัวเราเองก็นับไม่ได้พระนั้งเราจรึงไม่ควรไปคิดว่าเรามีวาสนาน้อยถ้าพูดถึงเรื่องทานเราเคยทานมาตั้งแต่รู้จักเรียงสาภาวะจนกระทั่งถึงบัดนี้มีวันนี้เป็นปัจจุบันนวันเราจำได้ไหมว่าเราเคยให้ทานอะไรบ้างตั้งแต่ต้นมาจนราตั้งถึงบัดนี้ให้ทานมากี่ครั้งกี่ผลหมดมากน้อยเพียงไหลเราไม่อาจนับได้ ทำไมจึงไม่อาจนับได้เพราะมากต่อมากนานต่อนานหลายวันหลายปีหลายเดือนทำอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเรียกว่ามากจนเจ้าของเองก็จำไม่ได้การจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเราแน่ใจแล้วว่าเราสร้างบรรุญสรางทติยภูม ชื่อว่าเราสร้างบารมีตามเสด็จพระพุทธเจ้าทานเราก็ได้ให้ให้มากต่อมากจนกระทั่งตัวเองก็จำไม่ได้แล้วยังจะให้ไปอีกมากมายจนชีวิตถามไม่เมื่อไรถึงจะหยุดถีงเราก็ได้รักษาพยายามตามสติกาลังความสามารถของเราอีครั้งขงี่ขนจนนับไม่ได้อีกเหมือนกัน ภาวนาก็ทำหากไม่หากจำปีได้จำเวลาเวลาทำก็ไม่ได้เราเริ่มมาปีพศออเท่าไหร่ถ้าเราในชาตินี้เราจำได้ว่าเราเราเริ่มภาวนาแต่พศออเท่านั้นนับตั้งแต่พศออเท่านั้นมาถึงวันนี้น่ะเราเคยนั่งภาวนากี่ครั้งน่ะตรงนี้แต่ จ, จำไม่ได้ น, น, นะ แล้วในขณะที่เรานั่งแต่และครั้งละครั้งนั้นเรากาหนดคำบริกรรมคำใดแล้วคำบริกรรมที่เรากาหนดเช่นพุทธโธพุทโธเป็นต้นนั้นครั้งนั้นนั้นครั้งละเท่าไหร่นี่เราก็จำไม่ได้นี่ น, นี้ก็มากมันมากอยู่ในภ า, ายในหัวใจของเราจนกระทั่งเราจาไม่ได้เวลาผลปรากฏขึ้นมากับเป็น เช่นเดียวกันกับเหตุที่เราทําถึงขนาดจําไม่ได้เองเวลาปรากฏขึ้นมาเราก็เรานับไม่ได้อีกเหมือนกันทอราเต็มอยู่ในดวงใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนรวมอยู่ที่ดวงใจไม่สามารถจะนับอ่านได้ธรรมชาติของความศักดิ์สิทธิ์ฤิเศษความอัศจรรย์ทั้งหลายที่รวมตัวอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเรียกว่าความดีทั้งนั้นส่งผลให้มาเป็นถึงความอัศจรรย์ขั้นนี้เนี่ย มันมีอันใยที่จะมาส่งผลให้เป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่มีความสุขความรื่นโดนงภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าบุญกุศลที่เราสร้างมาด้วยตัวเราเองนี่ท่านเรียกว่าสั่งสมทรัพย์ทรัพย์ภายในจาาไว้ในพระสุนทินมีเทปเตอรีโซ่กันพิเรนุการทีเจต้น การสั่งสมทรัพย์ไว้ภายใน จ, ใจิตใจคือด้วยการทำความดีทั้งหลายนั้นเป็นถิ่งที่ฝังไว้โดยความถูกต้องและรักษาได้ง่ายยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นไหนๆหนึ่งวันทรัพย์ภายนอกแม้ตัวเองเป็นผู้เก็บไว้เองก็ยังลืมสถานที่เก็บก็มีหรแต่สังไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่ง เพราะอำนาจแห่งสัญญาวาสทะนิมุนฮติคือความจำหลงลืมไปเสียบ้างอะไรบ้างตายแล้วก็ทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรได้รับประโยชน์เฉพาะการเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่บางอย่างก็สูญหายไปโดยหาเกิดหาประโยชน์ไม่ได้ก็มีแต่คุ้มทรัพย์คือบุญที่ด้ยฝังลงพานา จ, จิตใจด้วย การสร้างคุณคุณามความดีทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบกับจิตโจรก็รักไม่ได้ใครจะมาป่นมาขี้มาอะไรไม่ได้อาโจรหะละนูนิธิเท่นั้นโจรไม่สามารถจะจะามมาาที่จะรักจะขโมยจะป่นจะกี้ได้เลยขุนทรับคือบุญที่มีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจนิมมังทรัพย์นี้เมื่อสั่งสมไม่มากๆแล้วก็กลายเป็นทรัพย์อันประเสริฐ คือเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาที่ปราถเจาค่าศึกอริก็แปลว่าค่าศึกทรัพ์ก็คือสิ่งที่สนองความต้องการหรือต้่ที่พึงพอใจกลายเป็นโล ก, กุตระทรัพย์ขึ้นมาแายในใจของผู้บังคับ น, นีทา ง, งามห่งพุทธบริษัท ที่เป็นลูก้าหลอกอของพระพุทธเจ้าก็พยายามยิ่งเจงควนคว า, วายหาความดีสำหรับตนต่างคนต่างควนขวายต่างค น, ค ต, งคนต่างคิดตามสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถของตนเวลารวมตัวแล้วก็ลงอยู่ที่ใจดังที่กล่าวแล้วมึงตนนั้นเองมมีสถานที่ใดเป็นที่เก็บรับสมบัติ คืนบุญคือคือนทั้งหลายมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นภาชนะที่เหมาะที่สุดรวมลงสู่ที่นี่ไม่ต้องมีทะเบียนบัญชีจดจาร์เลืกว่าเราเคยทำบุญให้ทานมาตั้งแต่ครั้งไหนเมื่อไรได้ให้ทานอะไรอะไรบ้างก็ตามรวมอยู่นั่นหมด <ừ. S 1> ขึ้นคือว่าความดีที่กิจทำลงไปแล้วสัญญ า, าไม่เป็นอันตรายต่อการทาดี คือจะจดจําได้ไม่จําได้ไม่สําคัญสําคัญที่ความดีนี่ลบไม่สูน่ะจําได้หรือไม่ได้ก็มีอยู่ภายในใจทั้งต้นคนที่มีทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในจะไปไหนก็มีความสง่า่าเพลยมีความรื่นเริงบันเทิงไม่บเกิดความเดือดร้อนเสียใจกังวลกวลกลัวจะไม่ได้ชาเลยคอยไม่จริงอยู่หลับนอน เพราะรับติดกระเป๋าอยู่แล้วต่อไปทวีหบไหนก็ไปถึงเวลาหลับนอนก่อนนอนที่ดีดจะเอาโรงแรมไหนก็ได้นี่อาหารประเภทไหนสั่งได้ทั้งนั้นขึ้นชั่ว่าปัจจัยสี่คือเครื่องอาศัยสี่อย่างก็มีเครื่องนุ่งหม่มอาหารการเมริโภค ที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคภไไัยภัยเจ็บเนี่ยส่อย่างมันเกิดขึ้นมาจากแก้วสารพัดทึกสารพัดนึ ก, กคือเงินนี่ทั้งนั้นถูกที่มีเงินมีสมบัติไปไหนเก็ไม่ลำบากลำบดนี่เป็นข้อเทียบเทียงทางโลกมีความสะดวกสบายด้วยทราบที่เดียวว่าเป็นแก้วสารัานึกอ้าวทางธรรมนะการท่องเที่ยวในวัฏสงสาร ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเราเดินทางไปสู่บ้านนั้นเมืองนี้ทวีปนั้นนั่นเองเช่นอย่างเขาเที่ยวรอบโลกนี่เป็นทางของโลกนี่ทางของวัตฏะสงสารก็คือความเกิดแก่เจิดตายที่หมุนไปเกิดที่นันพบนั้นพบนี้ผู้มีบุญมีกุศลภานาจิตใจย่ยอมไปด้วยความเป็นสุขะโต ไปก็มีความสะดวกสบายราบรื่นสม่ำเสมออยู่ก็มีความสุขความเจริญ น, นิ่งเดิมเพราะอํานาจแห่งทรัพย์ที่ตนได้สร้างไว้แล้วภายในจิตใจซึ่งเล e like ียงว่าแก้วสารพัดนึกต่อไปเกิดในที่ใดสถานที่ใดก็เกิดด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลอยู่ด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ตนได้สร้างไว้แล้วน แน่นจะมีการท่องเที่ยวอยู่เหมือนสัตว์โลกทั่วไปคนที่มีบุญมีกุศลกับคนไม่มีบุญมีกุศลนั้นมีความลำบากมีความสุขทุกข์ต่างกันอยู่มากแล้วนอกจากนั้นคุณงามความดีที่เราสร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องสนับส น, นุนในคติด้วยในภพนั้นๆยังไม่แล้ว เมื่อเต็มภูมิแล้วยังสามารถที่จะ ย, ยกผู้ที่บำเพ็ญหรือผู้เป็นเจ้าของนั้นให้หลุดพ้นจากวตตะคือความหมุนเวียนเ ก, เกิดจาเจบตาจนี้ได้นั่นแนที่ว่ากรรมสิ้นกับสิ้นที่ตรงนั้นที่ผิดแห่งกรรมก็คือใจที่สถิตแห่งกรรมก็คือใจคือวิบากผลแห่งกรรมที่ทำไปแล้วมากน้อย มีบุญเป็นต้นก็อยู่ที่ใจเมื่อใจพอตัวแล้วเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยโดย ก, การทั้งปวงแล้วนั้นคำว่าบุญในในจิตใจก็หมดความหมายไปคุณเรียกว่าสิ้นกับสิ้นกันที่ตรงนั้นเช่นเดียวกับเราขึ้นมาบนบ้านของเราถึงสถานที่ ที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดปัญหากันไปไม่ใช่ว่าเราทิ้งบันไดด้วยเจตนาจะทิ้งบันไดแต่เป็นหลักธรรมชาตินห่ความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกันมาและเป็นหลักธรรมชาติที่หมดความจำเป็นกันแล้วในขณะนั้นมันก็ปล่อยวางกันไปเองเรื่องบุญเรื่องกุศลที่เป็นเครื่องสนับสนุนเรามาโดยลำดับเมื่อถึงขั้นพอตัวแล้ว บุญกุศลทั้งหลายพายในจิตใจก็หมดกันปัญหากันไปหรือว่แต่ทำทั้งแทง่งที่ได้รับมาจากความดีทั้งหลายสนับสนุนให้ถึงจุดนี้ถึงเรียกได้ว่าที่สุดหรือที่สลายที่ดับไปก็อยู่ที่ใจดวงนี้ดับไปแห่งบุญแห่งบาปทั้งหลายดับไปที่ตรงนั้นเพราะคําว่าบุญและบาปก็เป็นเครื่องสมมุติอันหนึง่งจิตเมื่อถึงขั้น ที่เลยสมมุติไปแล้วคำว่าสมบบมุติกับดีมุิคือความหลุดพ้นนั้นมันก็หมดปัญหาแยกทางกันไปเองโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับเราขึ้นตามบนาันไดจนไปถึงที่อยู่อันสมบูรณ์แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปโดยหลักธรรมชาติเช่นนั้นเลย ในทุกท่านนำนำไปพินิจพิจารนะนและพยายามปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีแม้จะอยู่ในวัยเด็กเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สําคัญอยู่ที่ความประพฤติประพฤติดีก็เรียกว่าเด็กดีประพฤติไม่ดีก็เรียกว่าเด็กชั่วนผู้ใหญ่ประมอนกันอยู่ที่ความดีในพยายาม ยึดหลักธรรมเป็นเข็มคิดทางเดินแห่งความประพฤติหน้าที่กันงานยึดไว้จนเป็นนิสัยสังอยู่ภาจิตใจใจของเราทั้งหมดทั้งดวงก็จะมีธรรมเข้าแทรกซึมมีธรรมีธรรมเป็นน้ำเชื่อมให้มีความร่มเย็นเป็นสุดปลอดภัยไร้สิ่งที่เป็นข่าสึกทั้งหาน การเปลียนทำข้อเ็นมาสมควรเพื่ขอดุติเพีงเทน้